จเจริญสุขสวัสดีครูน้อยขออนุโมันาในความเพียรพยายามอันต่อเนื่องของทุกท่านที่ได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางสายในนี้มาด้วยกันจนถึงบทเรียนสุดท้ายในชุดการบรรยายนี้ครับในบทเรียนครั้งที่14เราได้ใช้จิตที่สงบและตั้งมั่นเป็นดังแว่นขยายส่องดูความจริงอันสูงสุดของธรรมชาติเราได้เห็นอนิจจังหรือความไม่เที่ยงที่ปรากฏอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกและในทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา การได้เห็นความจริงข้อนี้แม้เพียงชั่วขณะก็คือการเปิดประตูสู่ปัญญาอันจะนำมาซึ่งอิสรภาพที่แท้จริงบัดนี้เมื่อเราได้เรียนรู้ทั้งการสร้างความสงบสมถะและการเจริญปัญญาวิปัสสนามาเป็นลำดับแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะทำอย่างไรให้คุณค่าอันงดงามเหล่านี้ไม่ได้จากัดอยู่แค่บนเบาะนั่งสมาธิเราจะนาสมบัติที่เราค้นพบนี้ ออกไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรนี่คือบทเรียนในบทที่15ซึ่งเป็นบทสรุปและเป็นหัวใจของการปฏิบัติทั้งหมดมีชื่อว่านําแสงสว่างแห่งสติสู่ชีวิตประจําวันบทที่15นําแสงสว่างแห่งสติสู่ชีวิตประจําวันเจริญสุขสวัสดีขอต้อนรับทุกท่านสู่บทเรียนสุดท้ายซึ่งแท้จริงแล้วคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แท้จริง ตลอด14บทเรียนที่ผ่านมาเปรียบเสมือนการที่เราได้เข้าไปฝึกฝนวิทยายุทธ์อยู่ในโรงฝึกหรือยิมเราได้เรียนรู้ที่จะสร้างพลังสร้างความสงบสร้างความแข็งแกร่งและสร้างอาวุธคือปัญญาแต่เป้าหมายที่แท้จริงของการฝึกฝนไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นยอดฝีมือที่เก่งกาจอยู่แต่ในโรงฝึกแต่เพื่อที่จะนําทักษะและพละกําลังเหล่านั้นออกไปใช้เผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งก็คือ ชีวิตประจําวันของเรานั่นเองการนั่งสมาธิก็เปรียบเหมือนการชาร์จแบตเตอรี่ power bank เราสะสมพลังงานแห่งสติความสงบและปัญญาเอาไว้แต่หากเราชาร์จจนเต็มแล้วเก็บไว้ในลิ้นชักไม่เคยนําออกมาใช้แบตเตอรี่ก้อนนั้นก็ย่อมไร้ประโยชน์ชีวิตประจําวันต่างหากคือสนามจริงที่เราจะได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ก้อนนี้เพื่อนําทางชีวิตให้สว่างสวยและทุกน้อยลงแล้วเราจะนําการปฏิบัติ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 1. ใช้ลมหายใจเป็นสมอเรือตลอดทั้งวันไม่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่เมื่อไหร่ที่นึกขึ้นได้ให้ลองกลับมาอยู่กับลมหายใจสัก 1-2 ครั้งขณะที่รอรถขณะที่เข้าแถวขณะที่นั่งทำงานการกลับมาที่ลมหายใจคือการดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันเป็นการจอดพักที่มั่นคงและปลอดภัยที่สุด 2. เปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นการภาวนา เลือกกิจวัตรประจำวันสักหนึ่งอย่างเช่นการแปลงฟันการล้างจานหรือการดื่มชาแล้วทำสิ่งนั้นด้วยความใส่ใจอย่างเต็มร้อยรับรู้ทุกสัมผัสทุกการเคลื่อนไหวโดยไม่รีบร้อนและไม่คิดเรื่องอื่นท่านจะพบความสงบในที่ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน 3. ฝึกหยุดก่อนตอบโต้เมื่อมีสถานการณ์ที่ท้าทายหรือมีอารมณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่าเพิ่งรีบตอบโต้ตามความเคยชินให้ลองใช้คาถา หยุดคือหยุดนิ่งๆสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจการหยุดเพียง5วินาทีนี้จะสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นและการตอบสนองทําให้เราสามารถเลือกที่จะตอบสนองด้วยปัญญาแทนที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์เป้าหมายสูงสุดคือการทําลายเส้นแบ่งระหว่างเวลาภาวนาและเวลาใช้ชีวิตจนกระทั่งทั้งชีวิตของเรากลายเป็นการปฏิบัติภาวนาที่ต่อเนื่องเอาละครับ ในการปฏิบัติครั้งสุดท้ายนี้เราจะมาตั้งสัจจะอธิษฐานร่วมกันเพื่ออุทิศคุณค่าทั้งหมดที่เราได้ฝึกฝนมาสู่การดำเนินชีวิตของเรานับจากนี้ไปนบัตรนี้ขอเชิญทุกท่านกลับมาสู่ท่านั่งที่สบายในครั้งสุดท้ายในบทเรียนชุดนี้แล้วค่อยๆปิดเปลือกตาลงในท่านั่งที่สบายให้ท่านน้อมระลึกถึงการเดินทางทั้งหมดที่ผ่านมา ตั้งแต่วันแรกที่เราได้ทำความรู้จักกับลมหายใจจนถึงวันที่เราได้เห็นความจริงของธรรมชาติขอให้ท่านซึมซับความสงบสว่างมั่นคงและเป็นอิสระที่ท่านได้บ่มเพาะมาทั้งหมดบัดนี้ขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานในใจร่วมกันข้าพเจ้าจะนำแสงสว่างแห่งสติที่ได้ฝึกฝนมานี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตข้าพเจ้าจะฝึกที่จะตื่นรู้อยู่ในทุกย่างก้าวข้าพเจ้า จะฝึกที่จะเมตตาต่อ ต, อตอนเองเมื่อผิดพลาดและเมตตาต่อผู้อื่นเมื่อเขาพลั้งเผลอข้าพเจ้าจะใช้ลมหายใจเป็นที่พึ่งและใช้ปัญญาเป็นเครื่องนําทางขอให้การปฏิบัตินี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความทุกข์น้อยลงของข้าพเจ้าและของสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดไปเมื่อปฏิบัติมาถึงสมควรแก่เวลาหนะบัตรนี้การเดินทางในหลักสูตร15บทเรียนของเราได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่นี่หาใช่จุดจบไม่หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงทุกท่านได้รับแผนที่และเครื่องมือที่จำเป็นครบถ้วนแล้วส่วนการเดินทางที่แท้จริงนั้นคือชีวิตของท่านนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านหมั่นนำเครื่องมือเหล่านี้ออกมาใช้ปัดดุมและฝึกฝนอยู่เสมอครูน้อยขออนุโมทนาในกุศ ล, ลเจตนาและความเพียรของทุกท่านและขออำนวยพรให้แสงสว่างแห่งสติและปัญญาที่ท่านได้จุดขึ้นในใจนี้ จงส่องสว่างนำทางให้ชีวิตของท่านและคนรอบข้างประสบพบเจอแต่ความสุขความสงบและความร่มเย็นตลอดไปเจริญสุขสวัสดี